อันสาธุชนพุทธบริษสัททั้งหลายสาหรับวันนีก้ก็มาพบกันดาท่านหลายในเรื่องราวของท่านโชติกาเศรษฐีต่อเนื้อความตาอม่อก็มีว่าเมาื่อท่านมหาเศรษฐีในซื้อผ้ากาพลราคาหนึ่งแสน ที่เขาทําท่าแบ่งว่าผ้าของเขารละามันมากมายเหลือเกินเมื่อขายไม่ได้ก็จะเผาไฟเสียให้ท่านมาหาเศรษฐีมอบผ้านั่นให้คนใช้คนใช้ก็ร้องไห้ไว่าผ้าเนี่ยหาแบบนี้แล้วเว้นั้นว่าในที่สุดท่านมาหาเศรษฐีก็บอกว่าเอาไปไม่ใช่ไปนุ่งไปห่มนั่ะหนู เอาไปเพื่อทำผ้าเช็ดเท้าเวลาที่เธอจะนอนเธอล้างเท้าในน้าหอม้วผ้าพน้วาไว้ข้างที่นอนเป็นเช็ดเท้าสาวชายก็บอกว่าถ้าเมตตาขนาดนั้นพอทำได้เจ้าค่ะถึงแม้ว่ามันจะหยาบมันจะเลวว่าผ้าที่มีอยู่แล้วก็ ไ, ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอเช็ดเท้าได้เป็นนั้นว่าชายทั้งหลายเหล่านั้นก็ตกใจ คิดไม่ถึงจึงได้ไปสู่สำนักหลังจากนั้นเขาจึงได้ไปสู่สำนักขอเศรษฐีของตอนคึกกลับเห็นสภาพไป น, นั่งก็กลับมาจำนวนบารีท่านโหฟังขัดขัดเหลือเกินจึงได้กลับไปหาเจ้านายไม่อเจ้านายถามเขายิ่งกลับเดลี่ยนบักถามว่าพขาทั้งหลายแต่กูลเศรษฐีที่พวกเจ้า ไปพบมาอีกจะมีไหมมันดาผู้คนใช้ทั้งหลายด้านนั่นก็บอกมีขอรับนายโอ้โหเจ้านายขอรับสำหรับสมบัติของท่านเนี่ยที่ว่ารวยเนี่ยมันเทียบกับเขาไม่ได้รลยขอรับความจริงสำนวนเมื่อวันนี้เขาพูดอย่างนี้แล้วก็ดูบาลีไม่ทัน ดูบลีแล้วกับภาษาไทยมัชัดไม่ทันเลยพูดเกี่ยวกับหน่อยเพราะเจ้านายขอรับที่ว่าสมบัติที่ท่านมีเนี่ยมันไม่เท่ากับผีหนึ่งเขาเศรษฐีที่ไปพบเศรษฐีที่ไปพบคือคนนั้นมีทรัพย์มหาศาลมีชื่อชื่อของท่านมีนามว่าชื่อโชติกาเศรษฐี มีสํานักอยู่ใน ก, นาากรุงราชเกลือแล้วจึงคุยถึงสมบัติในเมืองและในในบ้านขอ ง, งท่านโชติกาเศรษฐีให้ฟังแล้วก็บอกให้ฟังไว้ภาพเพิ่นราคาหนึ่งแสนนั่นนะ่ะก็ซื้อมาให้คนใช้ที่สําหรับทําความสะอาด จ, จากเยื่อหน้าประตูอีหนูพอรับเข้าแล้วร้องไห้โฮเลยเสียใจยว่าเจ้านายให้ของเหลว ท่านมหาเศรษฐีได้ฟังคำบอกเล่าของคนรับใช้เหล่านั้นแล้วก็ดีใจนี่แปลกไหมท่านมีมุตุตาจิตจแสดงว่าท่านชดินเศรษฐีเนี่ยท่านเป็นคนที่ทรงสมมีหารสีได้ดีมากไม่ใช่ไปนั่งเบงว่าทรัพย์ของตัวมีมากนะท่านไม่ได้คิดอย่างนั้นท่านมีความประสงค์ว่าต้องการมาใครนอที่มีทรัพย์คล้ายรเรานี่มีหรือไม่ ท่านอยน่า้คิดว่าบัดนี้เราจะบวชได้แล้วเพื่อท่านอยากจะบวชเพราะว่าผมเห็นคนมีทรัพย์มากกว่าท่านถ้ามีท่านมีทรัพย์น้อยแล้วก็ท่านก็บวชไม่ได้หมายถึงว่าถ้าเศรษฐีมีแต่ท่งคนเดียวลูกคงจะไม่บวชนี่คนที่มีทรัพย์มากกว่าท่านท่านตั้งใจจะบวชแต่คิดว่าลูกของคงจะยอมให้บวช ท่านยังไปสู่สำนักของพระราชาและยังกราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพห้าพระองค์มีความประสงค์จะบวชพระพุทธเจ้าข้าพระราชาก็ตัดว่าดีแล้วทรรมหเสถียจงบวชเถิดแล้ท่านเสถียรนั้นไปสู่เรือนแล้วได้เรียกบวช ท, ทั้งหลายทั้งหมดมาแล้วก็บอกแล้วก็วางจอบที่มีด้ามไปโดยตงคำ ตัวจอบเป็นเพชรตัโหนี่จะไปฟันอะไรกันนะเนี่ยถ้าวางเพล่เผลยแล้วก็หมดแล้วขอบคุณเลยด้้มทำได้ทองคำตัวจอบทำได้เพชรถ้าวางไว้ที่มือข้หวุชายคนใหญ่แล้วจึงกล่าวว่าพ่อเจ้าจงขุดเอาลิ่มทองจากภูเขาทองที่หลังเหรอนโอ้อ ไอทองคำนี่เท่คืนขุด้จอบธรรมดามันขุดไม่ไหวต้องใช้เพชรตัดเนาแม่เออเราได้ได้แค่ายจอบกับด้ามจอบก็พอนะกันนี้ขมาวางไม่บอกกับบุกชยัยกูใจว่าเจ้าจงขุดเอาลิ่มทองจากภูเขาทองที่หลังเลนขุดเอาตามชอบใจเจ้าลูกชาย แล้าลูกชายคนใหญ่คนนั้นถือเอาจอบไปแตมไปสับโขเขาทอเวลาที่เขาสับโกเขาทอนั้นท่านบอกว่ามันเหมือนกับเวลาที่เขาสับที่หินดานเนี่ยมันไม่เข้าปั๊บป๊บป๊บป๊ บ, ป บ, ปบไม่แตกมันไม่บินเพราะว่าทอได้เกิดมาสำหรับคนบุคคลผู้มีบุญเท่านั้น ท่านเศรษฐีรับจอบจากมือเขาลูกชายคนใหญ่คนนั้นมาเห็นลูกชายฟันไม่ไหวแท้ไม่ออกเดีย๋ยนี้ส่งให้ในมือเขาลูกชายคนกลางลูกชายคน ก, ก, กลางก็ล่อแบบท่านเอาสับทองอยู่สับเท่าไรเท่าไรพอมันก็ไม่ออกต่อไปท่านเศรษฐีก็ส่งจอบให้่อจะลูกชายคนเล็กอีรูปเดียวก็นั่นแหละก็เอาไม่ไหวอีกลําดับนั้นท่านมาหาเศรษฐียิงกล่าวลูกชายคนเล็กว่า นี่มาที่พรอคุณอลูกชายจง ม, มาพอแล้วทซั์ประมาณเท่านี้เนี่ยหมายความว่าไอ้รัพย์ที่เขาขุดป๊อป๊อปป๊ ป, ป๊ไม่ใช่ไม่ออกเลยไม่แข็งจัดมันได้นคนละหน่อยและนิดละนิดละน้อยแต่นคนเล็กก็ น, น้อยไม่เหมืนก็ขุดดินเหนียวก็พอซัพย์ประมาณเท่านี้ มันก็พอแล้วแล้วยังเรียกพี่ชายทั้งสองคนมาเรียกว่าลูกเรียกลูกอีสองคนเขามาคือลูกผู้เป็นพี่เนะี่ยแล้วก็เมื่อเขามาแล้วก็บอกว่าผู้เขาทองลูกนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อผูวเจ้าเขาเกิดมาเพื่อพอดและลูกชายคนเล็กในหมายความลูกชายคนใหญ่คนดีลูกชายคนรองคนดีฟันไม่ออก มาลูกตู้ชายคนเล็กปั่นทองออกแล้วท่านยังกล่าวว่าพวกเจ้าจงใช้สอยรวมกันกับลูกชายคนเล็กนะนี่หมายความว่าคนสองคนไม่มีบุญพอที่ปกครองภูเขาภูเขาทองแต่ ว, ว่าคนเล็กมีบุญพอที่ปกครองได้ฉะนั้นให้ลูกชายคนเล็กถือเป็นเจ้าของแต่ ว, ว่าการใช้สอยและทรัพย์สินถือเป็นสากล ร, ร่วมกัน หมายความไม่กีดไม่กันกันแบ่งกันใช้บรรดาลูกทั้งสองก็ยัถามว่าเป็นพ่ออะไรพวกเขาทองยันไดเกิดขึ้นเอาลูกทั้งหมดอ่ะเขาถามพร้อมกันนะมั้งอาจจะเป็นลูกคนเดียวจะดันพูดกันเหมือนกันมันก็น่าโราจะไม่ถก เ, เขาเาทา่าเขาจะถามว่ามีคําถามครับว่าเพราะเหตุใดพวกเขาทองจึงเกิดเพื่อบิดาและก็ลูกชายคนเล็กเท่านั้นตอนนี้เป็นคําถามเขาตอบเขาตอบว่าเป็นเหตุเพราะชิดินเศรษฐีนี่จึงถูกโยนลงไปแล้วไปในน้ำแล้วเกิดขึ้นแล้วอะไรนี่เนอเอ๋อ เขาถามว่าเพราะอะไรพวกเขาทอนจึงเกิดขึ้นเพื่อวิดาและลูกคนเล็กเท่านั้นแล้วก็ถามว่าเพราะอะไรชดินเศรษฐีจึงถูกโยนลงไปในน้ําในเวลาที่เกิดขึ้นแล้วหมายควาเวลาที่ก็เกิดใหม่เขถูกจับตัวเวน้ํามีคําแก้ว่าเพราะกรรมที่ทนตนทําแล้วนั่นเองพอโถอะยัง ก็น่าจะตอบให้มันชัด ก, กว่านี้นี่ตอบอย่างนี้ไม่รู้เรื่องเอ๋อไม่รู้เรื่องก่อนทีหลังถ้ายังไงต้องดูบุพกรรมก่อนที่เขาบอกเพราะกรรมที่ตนทําแล้วคือที่ชะดินเศรษฐีเขาทาแล้วให้กรรมที่ทําแล้วเนี่ยก็ทํากันยังไงก็ดูกันต่อไปมันดูบุพกรรมของชดินเศรษฐีตามเรื่องราวบุพกรรมทีงกล่าวเท่าท่านกล่าวเป็นความพิสดารไม่ว่า เมื่อมาหาชนกำลังสร้างเจดีย์ของพระกัดศพสมมาสมพุทธเจ้าอยู่พระขีนาาศคือพระอาหารหันต์องค์หนึ่งขีนาศก็คือพระอาหารหันต์องค์หนึ่งท่านไปสู่เจดีย์สถานดูแลบริเวณเจดีย์องถามว่าพอทางไหลพ้วยไรมุกทางทิศวนดอนเจนดีย์นั้น จึงยังไม่ก่อขึ้นอันดาประชาชนนั่งไหลที่นี่บอกว่าทองยังไม่พอพอรักพระขีนาาศคือพระอรหันต์รงนั้น่นี้กล่าวว่าฉันจะเข้าไปสู่ภายในบ้านและจะชักชวนพวกท่านจงทำกรรมโดยเอื้อเฟื้อเถิดหมายความว่าจะไปชักชวนชาวบ้านให้ช่วยกันมาทำบุญ หาทองไม่พอสำหรับเจดียอนั้นท่านทั้งหลายจงทำด้วยความตั้งใจดีคาว่าเอื้อเฟื้อในตั้งใจดีใหกล่าวอย่างนั้นแล้วข้าท่านกบเข้าไปสู่ในเมืองชักชนมาหาชนว่าพ่อแม่ทั้งหลายทองที่หน้ามุขข้างหนึ่งเจดีย์ของพวกเรายังไม่พอขอท่านยังรู้ทองเถิดได้ไปสู่ อะไรรู้ทองเถิดเอาอยูแล้วขอท่านจงรู้ว่าเราเวลานี้ต้องการยาทองไปทําเจดีย์ไทยมีทองมั่งก็ไปก็แล้วกันในสัตว์ต้นตอของท่านบอกท่านขอท่านยจงรู้ทองเถิดเมื่อท่านได้ไปสู่แต่โกูหนึายช่างทองแล้วคอยนายช่างทองกําลังนั่งทะเลาะกับมรญญาอยู่ในขณะนั้นนี่ต้องระดีนะเป็นบุพกรรมของเชลินเศรษฐี เวลานั้นในแช่นทองกำลังนั่งทะเลาะอยู่กับเมียแล้วข้าไปเ อ, อ้าพระเทระจรึงเข้าไปหาเขานี่ไปหาเวลาที่เขาทะเลาะกันแล้วไม่ถูกเขา อ, อีกข้างอัน บ, บานก็ดีแล้วนี่ <c oughs> เวลาที่เขาทะเลาะกันย่อมเข้าไปทําไมก็ไม่ทราบแต่ว่าท่านเป็นพระอรหันต์ท่านต้องรู้ก็ไม่แน่นักเหมือนกันพระอรหันต์บางท่านก็ไม่รู้แต่ความจริงพระอรหันต์ย่อมมีวันญาต จะต้องรู้แต่การเข้าไปของท่านต้องมีต้องมีเหตุมีผลถ้าไม่มีเหตุมีผลท่านไม่เข้าไปพระหันไม่ต้องการประจบใครแล้วพระหันท่านยังกล่าวว่าทองสําหรับทําหน้ามุกที่พระจะดีที่ท่านนั่งหลายรับไว้วันนั้นยังไม่พอการที่ท่านรู้ทองนั้นย่อมควรแม้สัพว์เนี่ยไม่เลิกสักที หมายความว่าทางว่าท่านมีทองแล้วก็มาช่วยกันเอามาผสมมาเสเข้าแล้วก็เอาไปรวมกันเข้ามันจะพอทำให้มันพอเหมาะพอดีเท่านี้เองนะแล้ใช้สรรพการที่ท่านรู้ทองนั้นย่อมคนเอาซะ ง, ง่ายๆเข้าไเอาเอนี่ตันตีนช่างทอง เขากล่าวด้วยความโกรธแม่นี่เข า, าโกรธเมียเขาอย่นะน่ะแล้วกล่าวความโกรธกับเมียเขาว่าท่านจงโยนพระสัตยสันดาหของท่านลงไปในน้ำสิคนแล้วกันนี่เขากําลังทะเลาะกับลูกกับเมียเขานี่ยถ้าจะความจริงมันก็ไม่นา่าไ ม, ไ ม, ไม่ไม่สมควรเหมือนกันเขาโกรธอยู่แล้วเนี่ยเวลาไปยุ่งแบบนั้นไอารมณ์อารมณ์โกรธมันก็ยังมี พย่มบอกว่านี่ระเรื่องทองนั่นเธื่อนไม่จะยุ่งเลยจงเอาเราพู้ใดเจ้าเพื่อนท่านโยนทิ้งนําไปเสียแล้วกันเลยกันว่าภาษาไทยแต่แท้ในวลีถึงกล่าวว่าเวลานั้นต้องเมียนะอ๋อเขาไม่ได้บอกกับพระหรอกโอ้โหท่านเขียนไม่ยากจริงๆเขากําลังด่าอยู่กับเมียนี่เพราะพระมาบอกเจ้าทองไปทำเทย็นดี สำหรับบรรจุกันดูพระพุทธเจ้าเขากโกรธเมียอยู่แน่เขาบอกเมียบอกเออนี่เธอเอาพระพุทธเจ้าขอเธอนาโยนทิ้งน้ำมาสักเถอะแต่ว่าในเวลานั้นเมียจนินส่าเขาว่าท่านทำกรรมอย่างสาหัสยิ่งท่านกโกรธที่ฉันท่านควรจะด่าฉันสิควรจะชียนีตีฉันเท่านั้น แล้วทําไมท่านจึงไปทําจองเวรจองกรรมกับพระพุทธเจ้าทั้งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันโอ้โหเนี่เมียเขาฉลาดจริงๆนะนี่บอกเจ้าเอาจงเอาพระพุทธเจ้าของเจ้าประโยชน์น้าทิ้งเสียนี่ก็หมายความพระพุทธเจ้าทั้งหมดที่เป็นอดีตที่ล่วงแล้วมาด้วยทั้งที่เป็นอนาคตที่ยังมาไม่ถึงด้วย ่านพระพุทธเจ้าที่เป็นปัจจุบนันด้วยเนาะเมียเขาฉลาดเมียแต่ม า, าพูดนี่ยังมีความรู้สึกนึกไม่ถึงเลยคิดว่าถ้าเข า, าพูดว่าพระพุทธเจ้าคนรจะหมายองค์ปัจจุบนันแต่ที่ไหนได้เมียนี่เป็นนักประหลาดจริงๆว่าท่านไม่ควรจะประมามมทพระพุทธเจ้ า, าทั้งที่เป็ น, ดนอดีตอนาคตปัจจุบันทั้งหมดเลยเนี่ยไม่น่าจะทําอย่างนั้น ในเวลานั่นเองในช่างทองถึงเขาก็มีความสลดใจเพราะถ้อยคำเขามีคันเพราะเมียพูดมีเหตุมีผลที่นี่กล่าวก็มีว่าเพราะไม่ไทยที่นี่กล่าวกับว่าเกีน่าศพคือพระนุ่าท่านเจ้าข่าขอท่านยังอดโทษแก่กับผมเถิดแล้วก็มอบลงแทบเท้าของประเทรละ ความจริงที่ก็พูดหนังเขาพูดแดกดันพระมหาเทระที่เข้าไปขอท่องคําจะมาทําเจดีแต่ว่าคําพูดของเขานั่นดันไปนด่าเอาพระพุทธเจ้าเขาไม่ได้ด่าพราะมหาเทระก็มีเตือนก็มีความรู้สึกก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนดีน่ารักเหมือนกันเมื่อผิดแล้วก็ยอมรับผิดพระเทระจรีนีกล่าวว่าโยม ฉันไม่ได้ถูกท่านด่านี่ท่านยังไม่ได้ด่าฉันแล้วท่านก็เวลาเมื่อกี้นี้ท่านด่าพระพุทธเจ้าเพาว่าท่านจะขอเข้ามาโทษท่านก็ต้องเข้ามาโทษต่อพระพุทธเจ้าขอให้พระพุทธเจ้าอดโทษกันแล้วกันน่นแหลสิยุ่งแล้วในช่างทองก็เห็นท่าไม่ได้ความ จึงกล่าวว่าท่านจะขอท่านขอรับก็ผมจะขอโทษพระพุทธเจ้าได้อย่างไงจึงจะทําให้พระพุทธเจ้าโอดทนได้ท่านมหาเทระจึงกล่าวว่าท่านจงทําหม้อดอกไม้ทองคำสามหม้อมันจุเข้าไว้ภายในที่บรรจุพระบรมาธาตุแล้วจงเป็นผู้มีผ้านน่งอันชุม่ม มีผมชุ่มแล้วก็ไปขอก็มา อ, องสมเด็จตุส ม, มาพระพุทธเจ้ายโอทโทษใจโยมมีผ้าหน่องนชุ่มมีผมชุม่มนี่น่ากลัจะต้องเอาจุ่มน้ํานือมั้งเอาหมายความว่ามีผ้าเปียกมีผมเปียกมีกายเปียกมันเย็นเย็นทำใจาสบายแล้วก็ไปขอก็มาทโทษต่อพระพุทธเจ้าเถิดนี่จําให้ดีนะ เวลาที่เราประมาตตพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องทําแบบนี้นะถ้าไม่ทําแบบนี้ก็ไม่ถูกได้หม้อทองคำสามหม้อนี่น่ะสิเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้ามันมีทองคําจริงๆไม่มีก็เอาหม้อที่เขาทาในโดหาหรือทำในดินถ้าปิดทองก็ใช้ได้เป็นทองคําไม่กันเพราะเรารวยไม่พอ เมื่อพระท่านแนะนำแบบนั้นแล้ว ท, ท่านชา่างทองก็รับวันดีแล้วขอรับเมื่อจะทำดอกไม้ทองคำเขาจึงเรียกบุชคายคนใหญ่เขามีลูกสามคนเรียบุคคลายคนใหญ่มาแล้วกล่าวว่ามานี่นีพ่อดอกไม้เหล่านี้มานมานี่สิพ่อพ่อได้กล่าว คำพูดกับพระพุทธเจ้าคือเป็นการจองเวรพระพุทธเจ้าวไว้ชัดว่าเป็นเวรที่มีความสําคัญเพราะฉะนั้นพ่อจากจากทาดอกไม้ทั้งหลายเหล่านี้บรรจุที่พร ะ, ระบรมบรรณาเข้าไปบรรจุที่บรรจุพระบรมธาตุขององค์สมเด็จตุสมาสมพุทัเจ้าเพื่อให้องค์สมเดม็จตุสมาสมาสุทัยเจ้าอดทนให้ แม่เจ้าก็จงเป็นสหายกับเราก็ทำร่วมกับพอ่อสำหรับลูกชายคนใหญ่นั่นเขาบอกกับพอ่อก็พอ่อจใช้ฉันพ่อไม่ได้ใช้ฉันให้กล่าวคำที่เป็นเวรเวรกรรมแบบนั้นนี่หมายความว่าไอ้ท่อยคำที่พ่อกล่าวไปเป็นการปรามทยคุณพระรัตนตรยัยนี่พ่อไม่ได้บอกให้เขาเกล่าว เมื่อพ่อพูดคนเดียวพ่อก็ทําคนเดียวก่นแล้วกันพ่ออยากไปตําัมิพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็ไม่ยอมทําด้วยนายช่างทอนงก็เ ร, กเรียกเรียกลูกชายลนกลางมาแล้วก็ถามอย่าพูดแบบนั้นลูกชายคนกลางบอกฉันก็ไม่เอาพ่ออยากปากเสียคนเดียวพ่อก็ทําไปก็แล้วกันฉันไม่ยอมยุ่งด้วยไม่ทําไม่เท็จนะเป็นเรื่องของพ่อนี่ ในช่างทอนยัเนเรียกลูกชายเขาเล็กมาคิดว่าธัมมันดาว่ากิทธิ์ที่เกิดขึ้นสําหรับลูกชายของเล็กนะเมื่อพ่อเรียกมาแล้วก็มานั่งคิดในใจว่าธัมมันดากิทธิที่เกิดขึ้นกับบิดนดามารดาย่อมเป็นภาระขอมบที่ต้องช่วยนี่เขาโูกดีจริงๆนะเป็นโลกที่มีความกตัญญูรู้คุณยัดว่าเป็นโลกผู้ประเสริฐตามที่เหตุปฏิบัติ ที่เหตุนี้แปรว่าครวญครวญคนปฏิบัติคือคนเลี้ยงบิดามัรดาให้เป็นสุขทํากิจของท่านนี่เป็นเรื่องของลูกจะต้องทําอย่างนี้ลูกดีลูกคนเล็กนั้นดีคิดว่าธัมมรรดากิจการงานต่างๆที่บิดาจะต้องทำํำก็ถือว่ายมเป็นภาระของลูกที่จะต้องทําจึงจะเชื่อว่าเป็นคนรักพ่อรักแม่มีความกตัญญูรู้คุณพ่อคุณแม่ นี่พูดอย่างนี้สนแสดงวรรณเสือหายไปมองไม่ทันจึงได้พยายามช่วยทําดอกไม้ทองคํากับพ่อแล้วในช่างทองก็เอาหมอกเอาม่อดอกไม้พอทําหม้อดอกไม้ขนาดคืบหนึ่งสามมอ่อโอ้ไม่โตเลยทําให้เต็มทําได้ทองแล้วป็นเป็นบรรจุที่บรรจุพระรามสาลีนิ迦 ธ, ธาต มีผ้านุ่งชุม่มมีผมชุม่มไปขอก็มาโทษแต่องค์สมเด็จตระสมาชสมพุทธเจ้าให้อดโทษเขาได้ผูกโยนลงไปอ๋อเขาได้ถูกผูกโยนลงไปในน้ำในเวลาที่เกิดขึ้นมาจาาิตครั้งนี่หมายความวาเพียงแค่ถ้อยคำว่าเจ้าจงเอาพระพุทธเจ้ขาของเจ้าโยนลงไปในน้ำนั่นแหละเพราะกรรมที่พูดเท่านี้นะ เกิดมาแล้วเจ็ดอันตรภูมิเจ็ดครั้งเขาก็ถูกโยนลงในน้ำเจ็ดครั้งแล้วก็ในอันตภาพของเขาที่ตั้งอยู่แล้วใ น, นที่สุดแม้ในบัดนี้ก็ถูกโยนลงไปในน้ำเพราะผลของกรรมนั่นเหมือนกันหมายความว่าถูกโยนมาแล้วเจ็ดครั้งนี่เป็นครั้งที่แปดเกิดมาแล้วก็ถูกโยนไปในครั้งที่ถูกโยนเปน็นน้ำเหมือนกัน สมบัติสำหรับบุตรของเขาสองคนคนใดที่ไม่ปรารถนาจะเป็นหายไม่ว่าบุตรครูชายคนโตก็ดีลูกชายกลางก็ดีเวลาที่ทำดอกไม้ทองคำคือไม่ยอมทำด้วยเพราะเหตุนั้นพวกเขาต้องคำจริงไม่เกิดสำหรับบุตสองคนนั้นอ๋อเห็นไหม ในเรื่องทองคำชั้แรกผมออทองคำนี่ปลูกขึ้นมากะเพราะหม้อทองคาดอกไม้ทองคำนั้นแต่ลูกชายคนเล็กแต่เกิดมาสำหรับลูกชายคนเล็กเพราะว่าชื่อว่าเขาช่วยพ่อช่วยแม่ทำดอกไม้ถือว่าเป็นภารากิจรวมกันกบิดาอู้หอ่านเหนื่อยจริงๆในตอนนี้วข้อแต่งกล่าวว่าชาดินเสรษีเอาบทได้มรรลุอรหรันต์ เสถียรนั้นพร่ำสอนบุตรแล้วเข้าไปบวชในะสนักของพระพุทธเจ้าบรรลุอรหันต์แล้วโดยสอนสามวันเท่านั้นไม่ฟังนะจำให้ดีนะนะักปฏิบัติฟังกันเกือบตายสงสยัยกันอยู่นั่นไม่ต้องไปไหนไอตัวสงสัยไม่มีทางจะไปนี่ก็บวชสอนสามวันก็บรรลุอรหันต์ด้วยประการชนีต้องรีบอ่านแล้วเพราะเวลาใกล้เต็มที ยังกล่าวว่าในสมัยอื่นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเที่ยวไปบินนรรบตัตพร้อมไปด้พิสูจน์ห้าร้อยรูปได้เสด็จไปสู่เรืองของบุตรชายของเศรษฐของท่านเศรษฐีนั่นบุตรทั้งหลายเหล่านั้นได้ถวายวินน บ, บัตแก่บรรดาพิสูจสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานตลอดเวลาครึ่งเดือนพิสูจทั้งหลายสนทนากนในโลงธรรมว่าชาติวิละ ยุคก่อนชนินผู้มีอายุก็แม้ในวันนี้ความทะยานอยากในภูเขาทองแปดสิบศอกแล้วก็ในบุตรทั้งหลายของท่านยังมีอยู่หรือไม่ความความรักความปรารถนาในภูเขาทองสูงสูงกว้างยาวแปดสิบศอกแล้วความห่วงใ ย, ยอะไรในลูกของท่านหลายย่มอมีหรือเปล่าท่านพระชนินยินแยกล่าว่วาท่านผู้มีอายุตัณหาหรือมานะ ตัณหาคือความอยากมานะความยึดถือในภูเขาทองเราบุตรเหล่านัในของผมไม่มีครรับมันไดว้วปสุทดนั่นหลายแล้วนั้นยังกล่าวว่าพระชดินเถระนี่พูดไม่จริงพี่ใหกรตนเป็นพระรหันนี่เขาบอกแล้วยังว่าอีกนะแสดงพระทั้งหลายแล้วนั้นไม่ใช่พระราหันถ้าพระราหันฟังแล้วก็ไม่คัน สมเด็จพระสมมาสัมุทธเจ้าสมประดับคำนั้นเามาดาพิสุิ์ทั้งหลายแล้วยังได้แต่แก้บิสุดทั้งหลายว่าตัณหาหรือมานะในมู่พูเขาทองระบุตนั้นไม่มีสำหรับพระชดินที่เป็นลูกของเราอย่างนี้แล้วองค์สมเด็จพระปัณฑิตแก้วจินนิสโสมแสดงธรรมยังได้ตัดเป็นคาถาโดยย่ อ, อว่าผู้ใดละตัณหาในโลกนี้ได้แล้วเป็นผู้ไม่มีเรือน เว้นเช่นได้แล้วเราเรียกผู้นั้นซึ่งมีตัณหาและพบอังสินแล้วว่าเป็นพรามคำว่าพรามนี่พระพุทธเจ้าหมายความว่าประเสริฐตอนนี้เวลาเลยนาทีครึ่งก็เป็นนั้นว่าขอเตือนบรรดาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายที่ฟังกันอยู่เสมอได้ยินกันอยู่เสมอเรืวองข้อแห่งการปฏิบัติ แล้วก็ยังไม่เข้าใจเวลาปฏิบัติเพื่อมักเพื่อผลนี่จงอย่าห่วงใยในตนถ้าจงอย่าตั้งใจไว้ในอื่นการปฏิบัติเรามีความมุ่งหมายโดยเฉพาะคือมรรคผลยาวน้อยน้อยก็ทำตนไห้ถึงพระโสดาบันจงพยายามจำไว้เฉพาะจุดว่าเราจะเอาจุดนี้ให้ได้หนึ่งพระโสดาบันมีอะไร ละสังโยก์สามคือสกายยทิฏฐิวิจิกิจชาศีลปตประมาดความจริงฟังยา น, นี้ก็ยากทั้งกล่าวว่าพระโสดากศกสีธาคามีเป็นผู้ทรงอธิศีลหมายได้ว่ามีสินหนักมาในด่างสีนมีสีนบริสุทธิ์พระนาคามีทรงอธิจิตคือมีวิปัสนาญาณด้วยมีฌานมั่นคงด้วย พระอรหันต์ท ร, าารงอธิปัญญามีปัญญาเฉลยฉลาดสา ม, มารถตัดตัณหาในเด็กขาดตัดมานณในเด็กขาดคือหมายความว่าทรงอริยสัตว์เต็มที่ยานี้องค์สมเด็จพระมาหามุนีเรียกว่าพระอรหันต์อาาบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเพราะเวลามเหลือ น, น้อยและย่อไวเพียงตรง่านี้สำหรับวันนี้เรื่องนี้ยังไม่จบนะ เรื่องโชติการเสถียรนี่ยังไม่จบแต่จบต้นบุพกรรมของดินสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วต้องขอลา ก, ก่อนขอความสุขสวัสดีพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาเป็นพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี